ขอความสุขความเจริญจงมีแถิท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลศีประทุมกำลังนำเสนอประวัติของพระสาดีบุตรเทระในช่วงที่เป็นธรรมกถาสั้นๆท่านเรียกว่าเป็นคาถาที่พระเทระกล่าวไว้ในโอกาสต่างๆ ก็โดยบุ่งที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ฟังในขณะนั้นนั้นวันก่อนก็ได้พูดมาถึงคาถาที่พันสีท่านกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงคุ้มครองตนเหมือนอย่างคนคุ้มครองเมืองปลายแดนทั้งภายในและภายนอกเะนั้น ขณะจะได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะพูดที่ล่วงเลยขณะเวลาไปแล้วต้องแออัดยัดเยียดเศร้าโศกกันอยู่ในนรกซึ่งก็ได้อัธยาธิบายขยายความมาแล้วในข้อที่พันห้าท่านบอกว่าบุคคลผู้ส ง, งบเ้นจา ก, การทำความชั่ว พูดด้วยปัญญาไม่ฟุง้งซ่านย่อมกำจัดบาปรธรรมทั้งหลายได้เหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนนั้นนี้ก็เป็นการแสดงในเชิงเหตุผลคือหมายความว่ามีทั้งเหตุทั้งผลเหตุก็คือเป็นผู้สงบ แล้วก็เว้นจากความการทำความชั่วพวดดยปัญญาไม่ฟุง้งซ่านอันนี้ก็เป็นอาการของผู้สงบนะฮะทีนี้ถ้าถามว่าสงบจากอะไรสงบจากการคิดบาปการทำบาปการพูดบาป ก็สรุปว่ามันเริ่มความสงบมาตั้งแต่ชั้นศีลและโดยโครงสร้างที่เป็นเนื้อหาหลักจริงๆก็คือกายวิาจาใจการสาชารณจะสังเกตได้ว่ามันมีเรื่องซ้ำๆอยู่อย่างนี้พระคนเรามันก็มีแค่กายวิาจาใจ ใจนั้นคิดอารมณ์ได้มากมายกายกองคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีแต่คิดดีก็เป็นการสงบจากความคิดที่ไม่ดีคิดไม่ดีก็แสดงว่าไม่สงบเพราะว่ากิเลสแต่ละข้อท่านลองสังเกตนะฮะว่า เร่งกิเลยประเภทราคามันเกิดกำหนดอารมณ์รูปสวยเสิง่งไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องบางทีก็สายไอนนนย้นั่นก็สวยนันก็สวยนั่นก็อร่อยไอ้นั่นก็อร่อยถ้ลองสังเกตใกล้ๆเรารับประทานอาหารอยู่บนโต๊ะเดียวกันอาหารเยอะ มองไปเห็นอาหารก็คิดว่าไอ้ น, นี่ก็น่าอรอ่อยไอ้ น, นี่ก็น่าอรอ่อยไอ้ น, นี่ก็น่าอรอ่อยอ้ น, นี่ก็น่าอร่อยตา ก, ก็สายมือก็สายตากักทวดโน้ทวดไอ้ถ้วยโน้นถ้วย น, น, นี้ถ้วยนั้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแนวหนึ่งที่เห็น ว, ว่ามันไม่สงบพราอถ้าเร า, เราเข้าถึงจริงๆว่า อาหารแปลว่าสิ่งที่นำพลมาท่านนั้นเองกินอะไรก็ได้ที่เขาจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่บ้าได้ให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังในการปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็สำเร็จประโยชน์แล้วแต่เพราะตัณหาโลภะราคะนี่มันสาย มันใบบังคับจิตให้สายไปในอารมณ์อีกแนวหนึ่งนั้นจะปุ่งดิ่งไปเลยไปกลุ่มเดียวกันไปเรื่องเดียวกันอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระนนที่พระพุทธเจ้านำไปชมนางเทพบับสอนพรองนำไปชมนางเทพบับสอนห้าร้อย ถามว่านรู้สึกยังไงสวยไม่สวยอยากได้ไม่อยากได้เหมือนกันหมดเลยท่านสวยหมดและท่านอยากได้หมดแต่ตั้งหนะ้าร้อยนะฮะแต่เรานองนึกดูว่าคนเราผู้ชายคนเดียวไปอยู่กับเทศทีิดาตั้งห้าร้อยเนี่ยมั น, นยูยังไง มันจะมีความสงบได้ยังไงมันจะมีความสุขได้ยังไงมันจะมีความสบายได้ยังไงเราทั้งสองคนก็ยุ่งแล้วนะแต่นี่ตาห้ารอยมันก็แสดงให้เห็นว่าโมหะในมันเพิ่มขึ้นด้วยไม่ได้คิดว่าต่อไปจะทำยังไงต่อไปจะทำยังไงต่อไปจะทำยังไงท่านก็สวยของท่านไปเรื่อย ติดตามว่าพระพุทธเจ้านําไปเจออีกสักห้ารอยท่านก็คงจะสวยหมดนั่นแหละแล้วก็อยากได้หมดมันเป็นความคิดคล้ายๆกับของเด็กหนุ่มหนุ่มที่กําลังศึกษาแล้วเรียนเลยรมีแฟนในขณะที่ยังเป็นเด็กยังศึกษาอยู่ยังขอสตางค์แม่อยู่เนี่ยคิดจะมีแฟนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้น พอเรียกมาถามว่ารายจ่ายของเธอในเดือนเท่าไหร่สามพันบ้างสี่พันบ้างห้าพันบ้างส่วนมากก็อยู่แถวนั้นเนี่ยเด็กระดับหมหาวทิทยาลัยถามว่าพออยู่ไหมก็บอกว่าพออยู่ได้แต่ว่าถ้าเพิ่มคนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไง 5้าพันเนี่ยเอา5้าพันนี่พอไหมแกบอกไม่พอไม่พอแล้วทำยังไงก็ต้องไปทำงานวิทยาฐานะตอนนี้ยังไม่จบปริญญางานก็ยากหรืออย่างหนึ่งว่าเธอจะทำอะไรกับการเรียน จะทำอย่างไรกับการเรียนในสุดมันก็กลายเป็นมีปัญหาว่าเธอก็ตอบไม่ได้ประการเลี้ยงตัวเราเองนั้นเราจ่ายเดือนละห0 0พันก็พอดีมีคนเพิ่มขิงนอีกหนึ่งค น, นก็ต้องจ่ายอีกห0 0 0ันว่าเอามาจากไหนแล้วต่อไปมีลูกมันก็เพิ่มอีก5 0 0พันเอามาจากไหน จะในบ้านในค่าใช้จ่ายอย่างอื่นจิ ป, ปถาถะที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเธอคิดยังไงก็เวลาพูดกับเด็กเหล่านี้ก็จะจ้องชวนคุยในลักษณะอย่างนั้นคือเราแม่อธิบายไม่ได้ชี้แจงอะไรแต่ก็ถามาไม่คิดเอาแล้วในส่วนส่วนหนึ่งก็จำนวน บางคนก็เลิกนะฮะบางคนก็เสียคนไปก็มีทั้งสองข่ายนะั่นแหละบางคนก็หัวปากหัวปาลไปแล้วไป่ได้มีความคิดต่อไปเพราะว่าการมีคู่ครองนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตอนาคตนั้นจะต้องพร้อมหมายความมาตัวเองมีที่อยู่มีที่กินไม่มีปัญหาเรื่องปัจจัยสี่ แล้วก็พร้อมที่จะเลี้ยงคนอื่นหนึ่งคนสองคนก็ว่ากันไปแต่ว่าคนจะคิดได้อย่างนี้คิดน้อยเพรา ะ, ะเราจึงเจอเด็กเยาวชนเป็นอันมากที่ทำลายอนาคตตัวเองโดยทิ้งการศึกษามามีครอบครัวก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละนี่ก็เป็นเรื่องมาจากอะไรว่ากิเลสประเภทราคะนี่แกสายไป แกวิ่งไปเรื่อยๆ ร, ราคะโลภตัณหานนี้ก็เหมือนกันนะนะั่นแหละคือสาวไปในแน ว, แนวฟุ้งซ่านตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีตรงโน้นก็ดี ก, ดก็สะไปเรื่อยๆอีกแนวหนึ่งก็เป็นสายดิง่งดิ่งไปแบบพระนนแต่พระนนนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นอุบายวิธี ในการกระตุ้นความคิดของท่านให้เกิดสนักให้เกิดสำนึกขั้นต่อไปก็ส่งรับประกันกว่าเธอตั้งใจปฏิบัติสมรรถธามให้ดีแล้วก็ตาถาคดจะรับประกันให้เธอได้นางเทพอับษร5 0 0รแล้วก็นำกลับมาสู่นิคโครธาราม ก็เรียกเพื่อนเื่อของท่านมานั่งไปชุมกันแล้วก็เล่าการที่พระอง์เป็นนายประกันให้พระนุนประพฤติพรหมจันท ร, ร์จะได้นางเทพประสานห้ารอเพื่อนฟังแล้วก็ล้อว่าพระนุนไปลูกจ้างพระพุทธเจ้าพระเจ้าจ้างให้ประพฤติพรหมจันท ร, ร์เพื่อจะได้นางเทพประสานห้าร้อ ตั้ก็เกิดสำนึกเกิดขัติยามานะในฐานะที่เป็นกษัตริย์เป็นอนุชาของพระพุทธเจ้าลุยประพฤติปฏิบัติทั้งกลา ง, งคืนกลางวันเลยจนบรรลุมรรคผลเป็นพระราหารันพราอณนกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้สายเนี่ยมันไม่มีละกิเลกิเลสให้คิดเป็นแนวดิ่งก็ไม่มีให้สายก็ไม่มี แล้วก็รุ่มรุมจิตก็ไม่มีคือสรุปว่าใจไม่มีกิเลสเลยในสุดทธังก็มาบอกคืนสัญญาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่าขอคืนสัญญาตรงนั้นทศพุทเจ้าก็รู้มาแล้วว่านั้นเป็นเพียงอุบายวยธีแต่คนทั่วไปไม่ใช่เรื่องอุบายวิธีเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องจริงว่ากิเลสเขาเป็นเขาเขาอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าหากว่าทำให้ไม่สงบเราจะเห็นว่ามันสงบที่กายกับวาจามาก่อนแน่นอนความสงบแต่มันเกิดสงบที่ใจแต่ใจสงบกายก็สงบวาจาก็สงบแต่ใจไม่สงบกายวาจาก็ไม่สงบ ครณีที่จริงก็ไม่อื่นไปจากเรื่องของกุศลกำบท10ประกาศทางความก็เจอมาบ่อยนะครับกุศลกรบท10ประการทางดำเนินชีวิตของผู้ฉลาดหรือว่าทางดำเนินชีวิตด้วยความฉลาดก็เรียกว่ากุศลกรรบท หมายว่ามาสงบจากความคิดที่จะฆ่าที่จะเบียดเบียนที่จะประทุษร้ายชีวิตของกันและกันสงบจากความคิดที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบธรรมสงบจากความคิดที่จะประพฤติร่วงละเมิดในทางเพศต่ตอผู้ครองของบุคคลอื่นสงบจากความคิดที่จะพูดเท็จ พูดสอเสียดผู้กรัรมยาพูดเดียวไหลแล้วในสุดก็เข้าถึงใจคือสงบจากจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตัวเองใคร่สงบจิตจากความอาฆาตพยาบาทสงบจิตจากการเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมแบบนี้พูดระดับศีลธรรมยัญญานะครับ แต่ว่าสามข้อหลังนี่มันไปลิบแล้วหมายความมาถ้าสงบจากความคิดเดี๋ยวนึกตึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ในอารมณ์เป็นที่ใคร่ได้เนี่ยยังเบาเบาก็เป็นฌานแหละแต่สงบได้เด็ดขาดก็เป็นพระนาคามีไปแล้วสงบจากความคาดพยาบาทได้มันก็อย่างน้อยก็เป็นฌาน จากน้อยก็เป็นสมาธิรองลงมาก็เป็นฌานเดี๋ยวขึ้นไปสูงสุดเนี่ยก็คือเป็นพระอนาคามีทีนี้ข้อที่สามเนี่ยสงบจากความเห็นผิดได้เนี่ยอย่างเบาๆก็เป็นปะสุดาบัตนะตัวความเห็นผิดนั่นเป็นเรื่องย้อนข้างใหญ่ สามัญชนตัวไปมันก็คิดผิดบ้างคิดถูกบ้างก็แล้วแต่แต่ถ้าถึงก็สงบทีนี้ตรงนี้ทรงเริ่มที่คาว่าท่านเริ่มที่คำว่าบุคคลพูดสงบถามว่าเพราะทำอย่างไรท่านบอกว่าเว้นจากการทำความชั่วก็คือเว้นจากการคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว ก็ตามโครงสร้างของกุศลกระบทังกล่าวนั่นแหละทีนี้บางครั้งบางคราวมันมีความคิดประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่ามนทินใจมันเป็นมนทินที่เกิดขึ้นภายในใจก็ทําให้ใจของคนไม่สงบเหมือนกันท่านจำแนกเอาไว้เป็นหลายข้อนะฮะเป็นรู้สึกจากข้อด้วยกันเรียกว่ามะละคือมนทินทั้ง9ประการ หมายความว่าสงบจากความโกรธสงบจากความลบหลู่บุญคุณท่านสงบจากความคิดริษยาสงบจากความสนีสงบจากมายาสงบจากโอ้อวดสงบจากพูดบดสงบจากความปราถนาลามกแล้วก็สงบจากความหินผิดถึ่งถ้ฟังจะสังเกตว่า มันก็เป็นอาการของโรคโลกรธหลงนั่นแหละความโกรธก็เออความโกรธก็เป็นกิเลสประเภทโทสะคือโกรธลบลู่คุณท่านก็เป็นโมหะแล้วก็เจือด้วยโทสะรริษยานั้นเป็นโลภะแล้วก็เป็นโทสะแล้วก็เป็นโมหะตณีก็เป็นโทสะหรือว่าโลภะ มายาก็เป็นเป็นหลายเรื่องนะฮะมายาเนี่ยอาจจะทำเพราะโลภก็ได้อาจจะทำเพราะโกรธก็ได้อาจจะทำเพ ร, กรกาจจะหลงก็ได้มักอวดนั้นเป็นอาการของโลภะอูดโอดก็อาจจะโลภะโทสะโมหะปรารถนาลาม ก, ก็เป็นอาการของโลภะเห็นผิดก็เป็นอาการของโมหะ ก็แม้จะเป็นเก้าแต่ว่าที่จริงก็มีเท่านั้นน่ก็มีคือคือโลคปวดหลงนั่นเองนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการงดเว้นจากจากบาปเนี่ยถ้าเรางดเว้นยังไม่ถึงใจสาปใดสาปนั้นก็อย่าวางใจเรื่องกายกวาจาพอตาใจไม่ส ง, งบในกายวาจาส ง, งบยาก จะต้องสงบมาจากใจในมวลหนึ่งนทรงแสดงถึงเรื่องของกิเลสสิ่งที่เรียกว่าโทษเครื่องเศร้าหมองมีอยู่สิบหกประการที่จริงก็คือ โ, โรคปวดหลงนะอภิชาวิสมาโลภะ เราโม้ไม่สม่ำเสมอคือเพ่งเลงโลภอยากได้อย่างนั้นก็อยากได้อย่างนี้ก็อยากได้อย่างโน้นก็อยากได้อยากได้ด่าไปเลยโกทะอโทสะความร้ายกาจ ก, ก, ก, ก, ก็คือกิเลสประเภทโกรธโกทะความโกรธก็คือกิเลสประเภทโกรธอุปนาหะผูกโกรธไว้ก็คือกิเลสประเภทโกรธแต่ท่านลองสังเกตว่าท่านเรียงหยาบกลางละเอียด การโธะนี่ร้ายกาดรุงแรงจนถึงออกมาข้างนอกได้ได้เร็วนะฮะความโกรธอาจจะอยู่ภายในใจความผูกโกรธนั้นจะอยู่ภายในใจประส า, าการตีเสมอหรือยกตนเทียมท่านเราเสมอเขาเราเลิศ ก, กว่าเขาเราเร็ว ก, กว่าเขาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือเราเลิศ ก, กว่าเขาก็เราเสมอเขา แล้วก็อิสาคือริศยาเห็นใครดีเด่นดังขึ้นมาไม่ได้จะยัย่นพฤติกรรมของคนเหล่านั้นไม่ได้มาเทิยะคือสนีมายาคือมารยาด้วยเจ้าเล่สาเทียะก็คือโอ้วดสาลมภาก็แข่งดีมานาก็ถือตัวอติมานาก็รูม้มินคนดื่นมาท่าก็หมวเห ม, า, ม า, า, เาประมาท่าก็ประมาท นั่นก็อีกอะคือโรคปดหลงอีกสิงเหล่านี้ทําใจให้เศร้าหมองพวกมนทินนี่ทาใจเศร้าหมองพวกอุปกเกเรที่ทําใจเศร้าหมองแต่ว่าทรงแสดงแนวปริยายคือนัยยะต่างๆเพื่อเห็นว่าอาการเหล่านั้นแหละพอเข้มข้นขึ้นมามันก็เป็นโรคกดลงัง แต่การที่ร อ, รองรองลดหลั่นกันลงมาอยู่ในสายใหญ่ของความโรคปวดหลกนั่นแหละแต่เพื่อให้เห็นความเข้มข้นที่แตกต่างกันก็มีชื่อเรียกชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันชื่อเรียกที่แตกต่างกันนั้นก็แสดงว่าเว้นความชั่วก็จนมาถึงตรงนี้ พอมาถึงมนทินเก้ามอพอมาถึงอุปกิเลสสิบหกแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ละเพราะอะไรเพราะว่าสงบยากได้เกินละยากได้เกินแต่ละข้อแล้วก็บอกว่าพูดด้วยปัญญาหมายความมันจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยมันใช้ปัญญาคิดเสียก่อนก็อย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่า ก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายของคำพูดแต่พอพูดเราไปแล้วคำพูดเป็นนายเราเราจะต้องคิดในรอบคอบเสก่อนพูดออกไปอย่างนี้ก็จะโต้อตอบอย่างนี้พูดเราไปอย่างนี้ก็โต้อตอบอย่างนี้บางคืนก็ดูอักษรวิ่งที่จอโทรทัศน์แต่ฟังแล้วขานะน่ะ เกลือนวาตโอวา่อวาตสั่งสอนคนอื่นสารพัดร้อยสี่พันอย่างโดยลืมไปว่าทั้งหมดในตัวเองทํา ม, มาก่อนทั้งนั้นก็ ม, มาสั่งสอนคนอื่นได้แต่าทางที่ตัวเองทํา ม, มาก่อนพอตัวเองทํามไม่ผิดพอคนอื่นทําผิดอ้ น, นี้ก็คือมีปัญหา เขาเรียกว่าเป็นคนเพ่งโทษคนอื่นสวดสอบโทษคนอื่นเปรียกเปรียบเปียโทษคนอื่นทีนี้การที่จะเกิดปัญญาได้เนี่ยต้องไปฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นอาการของนิบอรคือหมายความว่าใจคิดนั้นคิดนี้คิดน้อนมันคิดบุ่นไปหมดอ่ะกำหนดไม่ได้ สังเกตอาการฟุ้งซ่านเนี่ยสังเกตรกล้ๆกับเราฝันเวลาท้องเสียมันบุ่นไปหมดคือแสดงว่ามันปวดที่กายแล้ว ไ, วไปกระทบถึงใจซึ่งกำลังพักผ่อนใจเลยก็ฝันวุ่นไปหมดเลยจะต้นทนปลายไม่ถูกล่าไม่ได้นะฮะฝันในขณะที่เราท้องเสียเนี่ย ก็เล่าไม่ได้เพราะไม่ปฏิปต อ, อ ก, กันเลยหลายสิบเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องก็ไม่คยจะต่อกันเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้นี่เป็นาการฟุ้งซารมันจิตมันคล้ายๆกับชาวนาที่เขาเผาฟางเน่เผามูลโคอะไรต่างๆ ข้างในนี่ร้อนมากนะฮะแต่มันก็มีควันกลุ่นขึ้นมาแล้วก็ถูกลมพัดควันมันก็หมุนไปทางโน้นทางนี้เอาทิศทางไม่ได้แล้วแต่ลมอย่างที่เราพูดว่าลมพลงลมพัดก็พัดหมุนไปเรื่อยๆความคิดฟุ้งซ่านมันก็มีลักษณะอย่างนั้นใจไม่นิ่ง ใจไม่สงบคือบางครั้งบางคราวแม้แต่ก่อนนอนถ้าใจเราไม่นิ่งเนี่ยเราก็ไม่ไม่หลับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาสายไปสายมาลุกขึ้นข้าวห้องน้ําดื่มน้ำํำทาสารพัดเพื่อให้ใจมันสงบบางทีก็ทําได้บางทีก็ทําททไม่ได้อา้าวพอทำไม่ได้ก็ต้องมียาเข้าไปช่วย ช่วยบ่อยๆในที่สุดมันต้านยาก็เพิ่มปริมาณยาแก่ปัญหากันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถึงจุดหนึ่งอวัยวะต่างๆมันก็ไม่ทำงานเพราะยาไปช่วยเขาเลยเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำงานก็ติดยากันไปตลอดเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้น บอกว่าย่อมลอยบาปทำทั้งหลายได้ลอยบาปทำทั้งหลายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะหมายความว่าใช้คำว่าทาหลายเขาทั้งหลายเข้าไปเนี่ยไม่มีบาปอะไรที่ยังเหลืออยู่ภายในจิตท่านเราสังเกตว่า ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ทาให้คนบรรลุมรรคผลเป็นพระหันได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลพูดส ง, งบนี่มันลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากกว่าส ง, งบขนาดไหนล่ะเพราะส ง, งบมันมีอยู่สามระดับสี่ระดับระดับแรกก็คือส ง, งบเพราะไปอยู่ในที่ส ง, งบ ปราศจากเสียงรบกวนเราก็ถือว่าสงบอย่างหนึ่งเช่นไปอยู่ริมทะเลไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขาไปอยู่กลางทุ่งไปอยู่ตามอะไรต่างๆมันก็ได้ที่สงบอีกอย่างหนึ่งคือกายสงบกายก็สงบจากอกุศลทุจริตทั้งหลาย ใจก็สงบจากวัจีทุจริตทั้งหลายไม่ใช่วาจาก็สงบจากวจีทุจริตทั้งหลายแล้วก็ใจสงบจากความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายแล้วก็ตั้งกระตอกย้ำด้วยครับว่าเว้นจากการทำความชั่วหมายความว่า ความชั่วทุกชนิดทั้งรำทั้งพูดทั้งคิดเนี่ยไม่ทำไม่พูดไม่คิดต่อไปจากนั้นก็จะพูดโดยปัญญาอย่าเราลองสังเกตว่าพระบาลีพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคำเดียวสองคำสามคำเป็นการแสดงปัญญาความรอบรู้ของพระองค์ในเรื่องเหล่านั้น ซึ่งก็หมายความว่าพระไทยของโรงก็บริสุทธิ์ทรงมีสติสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์พูดอะไรไปก็พูดด้วยความกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นบางครั้งบางคราวเราก็ฟังการพูดของท่านบางท่านคือแสดงว่าเป็นอ่านหนังสือระดับหลังๆมา ไม่ได้ไปอ่านที่ตัวต้นต่อจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงว่ากุคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสอนถึงธรรมะให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิต เพื่อรักษาธรรมะเอาไว้แล้วเราไปใช้เปรื่อไปทุกเรื่องคือในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเป็นเรื่องของสุตสสมชาดกพระพุทธเจ้าสมัยเป็นสุตสสมราบุตเป็นสุตสสมกษัตริย์นะฮะเป็นกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้าสุตสสม แต่ขอปฏิญาณต่อโจนโปริศัตซ์ซึ่งอดีตก็เป็นลูกศิษย์ท่านไว้สีประการด้วยกันทุกข้อนี่โจนโปริศัตให้หมด3ข้อแรกแต่ข้อสุดท้ายนี่ท่านขอว่าให้เลิกกินเนื้อมนุษย์จากปัตจบันนี้เป็นต้นไปโจนโปริศัต์ไม่ยอม มยอมพระโพธิสัตว์ก็เตือนด้วยคำกล่าวนังกล่าวเพราะท่านให้สัตว์ปฏิญาณไว้ว่าจะถวายทั้งสี่ข้อนั่นแหละให้ขอมาเถิดโดยไมู่ีข้อแม้ไว้พระโพธิสัตว์ก็ปล่อยไว้ข้อที่สี่ไปขอไม่ให้กินเนื้อมนุษย์ต่อไป ท่านเป็นกษัตริยอมสละราชสมบัติออกมาเพราะว่าประชาชนไม่พอใจที่ท่านกินเนื้อมนุษย์บอกให้เลิกท่านไม่ยอมเลิกจะไม่ยอมเลิกเขาก็ขับออกจากราชสมบัติให้พลูรถครองราชแทนท่านก็ยอมเข้าป่าเนี่าพ่อครัวไปด้วย แล้วก็คอยจับคนมากินอาหารกินเป็นอาหารบะเนึงจับคนไม่ได้ท่านก็กินพ่อครัวเสีเลยข้าพ่อครัวปรุงหุงต้มเองกินที่เลยแล้วก็ต่อมาก็จะไล่ล่ามนุษย์มากินเป็นอาหารปพระะว่าที่สัตว์ต้องออกไปไปพบสุดความเคารพจำเกรงนะต่ออาจารย์ S 1> <S 1> ก็เลยยอมให้ขอพรสี่ประการตนอนพรตัวนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องของสัจสจะปฏิญาณสัจจะปฏิญาณคือเราให้สัจจะปฏิญาณอะไรกับใครไว้อย่างไรเนี่ยอ้นี้ต้องระ ม, มัดระวังมากหมายความมาต้องมีปัญญามากคิดได้รอบคอบรอบด้านรอบตัว แล้วคิดไปถึงอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญพราะสัจจะในที่นี้เนี่ยเรียกว่าธรรมะมนุษย์สระตัเมื่อระลึกถึงธรรมะให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพ่ทักธรรมเอาไว้เนี่ยหมายเอาสัจจะปฏิญาณ สัจจปฏิญาณจะอย่าลืมมากรอบสัจจะปฏิญาณมันไปได้ไกลรีบเบอเลยนะฮะแม้แต่สมาทานศีลก็เป็นสัจจะปฏิญาณแล้ววันก่อนได้ยินพระท่านพูดตัวตั้งคำคำหนึ่งก็นึกจะโทรกระซิบแต่ก็ รอโอกาสวันหลังเจอกันก็ค่อยคุยกันมันมีบาลีอยู่คำหนึ่งเรื่องราชานางนวัติตุงคือให้อนุวัตตามบ้านเมืองพโตเมจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกมันเป็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องการนับวันตามจันทรคติจกวันธรรมาศวนะณนี่แหละ มันปากวันโกนี่แหละปรากฏว่าพระนับไปอย่างเนี่ยเสาวบ้านนับไปอย่างพิสุก็มากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบ พ, พระเจ้ารับสั่งว่าให้อนุวัตตามพระราชาหมายความมาบ้านเมืองเขาว่าอย่างไงก็เอาอย่างนั้นดังนั้นในประเทศไทยปัจจุบันเราจะเห็นว่าการนับปักเนี่ย นับวันธรรมสน่ะวันพระแปดค่ำบางทีอาจจะเป็นเก้าค่ำบางที่สิบห้าค่ำอาจทีเป็นสิบสี่บางที 14, างทอาจจะหนึ่งค่ำอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งใช้หลักแบบง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากมากคือราชานางนวัติตุปฏิทินหลวงว่าอย่างไรก็อย่างนั้นเน่ อีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้ปฏิทินปากขะคณะน า, นาก็สรุปว่าคณะรมยุทเนี่ยใช้ปฏิทินปากขะคณะน า, นาแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยท่านใช้ไปทินหลวงก็คือไปทินที่ขายกันอยู่ทั่วทั่วไปนั่นแหละก็ก็ถือแบบของหลวงถามาผิดไหมมันก็ไม่ผิดทั้งคู่นั่นแหละ จะไม่มีใครผิดทั้งคู่เวลานี้ดีขึ้นมากนะฮะปรากฏว่าวันพระวันโกนมาลงในวันเดียวกันบางทีทั้งปีเนี่ยไม่มีการต่างกันเลยก็ที่จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะจะเอาอะไรก็เอาเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นหลั ก, กอะไรทีนี้ในฐานะที่เราเป็นราษฎร เราก็ต้องอยู่กฎหมายของบ้านเมืองบ้านเมืองถ้าออกกฎหมายมาอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องอนุวัตตามปฏิบัติตามกฎหมายเช่นว่าการออกไปต่างประเทศจะต้องทำยังไงต้องจ่ายอะไรเท่าไรค่าอะไรก็จ่ายข้ามาจากประเทศก็ต้องดีแคร์ให้ข้อสวด ก็ให้ผ่านก็ผ่านก็ไม่ให้ผ่านก็ว่ากันไปนี่ก็หมายความว่าเรามันเป็นคนสองสถานะสถานะเป็นพระก็ยึดตามแบบของพระฐานะเป็นราษฎรก็อนุวัตตามบ้านเมืองแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะฮะ ถ้าอนุวัตตามแล้วไปขิดผิดกับวินัยเนี่ยขัดแย้งกับวินัยเนี่ยไม่ได้ยังยกตัวอย่างในชาวบ้านมีครอบครัวแล้วพระจะมีครอบครัวด้วยว่าในฐานะเป็นราษฎรก็มีครอบครัวด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะมันไปขัดแย้งกับตัวพระวินยัยพระวินัยก็เป็นหลักอย่างนั้นแหละให้ความพระก็ต้องให้ความสมําคัญแก่พระวินัยเป็นหลัก ทีนี้การลอยบาปโดยเนื้อหาสาระแล้วพระพุทธเจ้าเคยแสดงแก่พรามชื่อหุงหงกระชาิแกถามถึงธรรมะที่ทำคนให้เป็นพรามตอนนั้นพระพุทธเจ้าสัตว์สรุปใหม่ๆยังไม่ได้ประกาศธรรมะพบกันที่ต้นไทรเชื่อจะปานิครต ในสัปดาห์ที่เท่าไหร่ที่สที่ห้านะฮะที่หที่หที่เที่5ถ้านับอนิมิเตเจดีรัตนจงกรมเจดีรัตนคารเจดีด้วยก็แสดงสัปดาห์ที่หแต่ถ้านับเฉพาะในพระบาลีมาวักแข่งพระวินัยก็เป็นสัปดาห์ที่ที่สอง พรามคนนั้นเนี่ยมาถามพระพุทธเจ้าถึงธรรมะที่ทําคนให้เป็นพราหม์ว่าเป็นยังไงพุทธเจ้ารับสั่งว่าบุคคลใดมีบาปประธรรมมัลอยเสร็จแล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องครูคนอื่นเพราะคื อ, อซึ่งเป็นคําหยาบแล้วก็ถึงฝั่งแห่งเวทแล้วบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นพราม ผลความหมายตรงนี้หมายสูงสุดจริงๆก็ต้องเป็นพระอรหันนะฮะเระการลอยบาปพระธรรมได้หมดมันไม่เปลีนไม่มีใครลอยได้ลอยได้หมดนอกจากพระอระหรันอรหรันต์านจึงเรียกว่าปุญญาปา ป, ป, ป, ปะปิโ น, โนคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปไม่ต้องถามมาท่านยังคิดบาปไหม ในการอธิบายคําว่าอารหังนี่ท่านบอกว่าไม่กระทาบาปแม้ในที่รับอาตมาไม่ชอบเลยแปลอย่างงนเนี่ยคือไม่ควรเอามาใช้กับพระอารหันพระารานไม่มีกิเลสเป็นเอตได้คิดบาปและจะแปลว่าทําบาปได้ยังไงไม่ทําบาปแม้ในที่รับเนี่ย แล้วก็ถามมาในที่แจ้งมันก็ยุ่งอยู่แปลแล้วมันมีปัญหายุง่งนั่นคือารค้าการเราแปลคําว่า อ, า ร, อาริยอริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะอย่างนีน้ถ้าเป็นความจริงอันประเสริฐแสดงว่าทุกขสมมุทัยต้องประเสริฐ ด, ด้วย แต่เป็นความจริงของพระอริยะก็แสดงว่าพระอริยะก็ต้องมีทุกข์มีสมุทัยด้วยเอ๊ะมันอะไรอะ่ะถ้าความจริงที่ทำผู้เข้าถึงความจริงให้เป็นพระอริยะหรือความจริงที่แท้จริงหรือความจริงที่เป็นสั จ, จธรรมที่เที่ยงแท้นั่นก็เป็นอย่างที่มันเป็นน่นแหละ ทุกข์ก็ทุกข์จริงสมุทัยก็สมุทัยจริงนิโรธก็นิโรธจริงมรรคก็คือมรรคจริงแต่พอแปลว่าประเสริฐมันมีปัญหาทางความคิดทันทีหรือของภรรยะมันก็มีปัญหาทันทีคือแต่ก่อนเนี่เรารับสารเนี่เราไม่ค่อยไม่ค่อยมีประเด็นที่เราไปท้วงติงสักถาม แสดงข้อข้องใจสงสัยส่วนใหญ่ก็ครับผมครับผมครับผมไปแต่คนสมัยนี้ก็คิดน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องอธิบายได้โดยบาปธรรมทั้งหลายหมายความว่าเป็นอาการเป็นกิเลสพูดง่ายว่าเอากิเลสก่อน กิเลสมีชื่อยังไงก็ตามหยาบก็ตามกลางก็ตามละเอียดก็ตามเนี่ยก็ละได้หมดก็คือบริสุทธิคุณเป็นการแสดงให้เห็นเรื่องบริสุทธิคุณแต่นี้ความบริสุทธิ์นี่มันเกิดขึ้นได้โดยปัญญาปัญญายาบริสุทธิจิติบุคคลยะบริสุทธิหมดจดได้โดยปัญญาดังนั้น ก็แสดงให้เห็นว่าท่านที่ลอยบาปธรรม ท, ทั้งหลายได้เนี่ยปัญญาของท่านต้องสมบูรณ์มันก็ทำลายวิชาไปอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่จิตของท่านบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายแล้วโลกัศน์ก็พลิกกลับหน้ามือไปหลังมือเลย จากการมองเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงจนถึงยอมรับความเป็นเราเป็นเขากันแล้วก็มองเป็นเรากับ พ, พวกเรามองเป็นเรากับเพื่อนเราจนถึงเป็นสัตว์โลกทั้งหลายที่ตกอยู่ในห่วงของความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน ในต้องการการมีเวรการมีภยัยการเบียดเบียนการการประทุสร้ายกันและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือมองระดับที่เรียกว่าต้องการเห็นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างที่พระองค์ได้หลุดพ้นด้วยตะลประมาเหมือนอไรบอกเหมือนลมพัดใบไม้ให้ลอยไปฉชนนั้นเป็นตัวอย่างว่าใบไม้มันกองอยู่พเนจนถึ ลมมาแรงเลยพัดปลิวว่อนหายไปหมดจากจุดตรงนั้นผลจิตใจที่ได้รับการปฏิบัติพัฒนามาด้วยเป็นบุคคลผู้สงบจากบาปก็คือสมณะเนะี่ยเป็นจากการทำความชั่วปวดดุปัญญาไม่ฟุ้งสั้น ย่อมกําจัดบาปธรรมทั้งหลายได้กําจัดขจัดลอยก็แล้วแต่แหละก็ เ, เรียกว่าบาปธรรมก็ทําให้เกิดปัญญาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์และกรุณาที่สมบูรณ์ก็เรียกว่าเนี้ยก็ที่จริงก็ทลาไยสองบรรทัดกว่านีน้ได้ แต่ก็มีพระอาหารหันต์เป็นยอดแหละเพราะมันเป็นบทย่อของศีลสมาธิปัญญามาความแสดงเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแต่แสดงยอด่อๆโภสงบเนี่ยจริงๆมันเป็นอาการของสมาธิแต่ที่จริงศีลก็สงบจากบาป สงบเวรสงบภัยสงบอันตรายทั้งหลายตัวเองไม่เป็นเหตุแห่งภัยเหตุแห่งอันตรายต่อบุคคลหรืออื่นแล้วก็เว้นบาปเว้นจากการทําความชั่ว เ, ออเต็มๆก็คือเว้นจากการทําความชั่วทั้งปวงก็คือสัพ ป, ปาปัสสะกระนังเนี่ยการไม่ทําบาปทั้งปวงนั่นเอง ั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาเมตไตรยสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี